วันนี้เป็นวันเสาร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวนงังแปลว่าวันฟังธรรมเป็นวันมงคลเพราะว่า การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งดยงในพระสูตรมงคลลสูตรที่ได้ทรงตัดสอนไว้ว่ากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตะมังมการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาตามโอกาส<ม>เป็นมงคลอย่างยิ่ง คำว่ามงคล น, นี้ก็คือความสุขความเจริญของจิตใจจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นจิตใจจะมีความรู้ความฉลาดมากขึ้นจะนำพาไปสู่การกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจคือสร้างความสุขให้มีเพิ่มมากขึ้น กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อา น, นิสงส์หรือผลของการฟังธรรมนี้มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว พอเราได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เกิดข้อที่สมคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาข้อที่สี่จะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้และข้อที่ห้า จะทําให้ใจมีความสงบสุขผ่องใสนี่คือประโยชน์หรืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมที่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างหนึ่งการที่เราจะได้รับอนิสง์ได้รับประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องฟังด้วย กายวาจาใจที่สงบขณะที่ฟังเราไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวทางร่างกายไม่ควรที่จะทำอะไรทางร่างกายควรนั่งอยู่เฉยๆเหมือนกับที่ท่านกำลังทำอยู่ในขณะนี้สองวาจาก็ต้องสงบคือจะไม่พูดคุยกัน 3. ใจก็ต้องสงบคือใจต้องไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ตั้งใจฟังทำเพียงอย่างเดียวนี่คือความหมายของความสงบกายสงบวาจาและสงบใจเพราะเมื่อกายไม่ทำอะไรใจก็จะได้มาให้ความสำคัญกับการฟังทำเมื่อวาจาไม่ได้พูดอะไร ใจก็ไม่ต้องไปพูดไปคิดว่าจะพูดอะไรใจก็จะมาฟังธรรมได้อย่างเต็มร้อยแล้วถ้าใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะรับเสียงธรรมเข้ามาสู่ใจได้ทั้งหมดเมื่อได้รับธรรมะเข้าสู่ใจก็จะทำให้ใจนี้ มีความเย็นมีความสบายเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ออกจากใจของผู้ที่มีความสงบมีความสบายนั่นเองธรรมะจึงไม่เป็นไม่จึงไม่เป็นของร้อนฟังธรรมะแล้วใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขแล้วก็ธรรมะก็เป็นคำสอนของผู้ฉลาด ผู้มีปัญญาผู้รู้สิ่งต่างๆที่ปุตุชนธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานี้ยังไม่สามารถรู้ได้นั่นก็คือใจของพวกเราพวกเรามีใจอยู่พวกเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่พวกเรากลับไม่เห็นใจไม่รู้จักใจของตัวเราเอง เรากลับไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรงรู้ว่าเราเป็นใจเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายมาใช้ร่างกายให้ทําอะไรตามความอยากต่างๆของงของใจ ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นใจใจกับร่างกายนี้มาเชื่อมกันตอนที่มีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่ท้องของมารดาเวลาที่มันดาตั้งครรภ์ น, นี้ก็เป็นเวลาที่กำลังสร้างร่างกายขึ้นมาหนึ่งร่างหรือสองร่างหรือสามร่างก็ได้แล้วแต่ แล้วใจนี้ก็จะมาครอบครองร่างกายแล้วก็รอให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตพอคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วใจก็เป็นผู้ที่จะสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะเราอาจจะคิดว่า ใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราคาว่าเรานี้มันก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้คอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของเราใจของพวกเราทุกคนนี้ยังมีความอยากมีความต้องการที่จะหาความสุข จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดโธภาชนิดต่างๆจึงทำให้ใจของพวกเหล่านี้ต้องมาคอยรอรับร่างกายอันใหม่ใจตอนที่ไม่มีร่างกายนั้นก็เป็นเหมือนดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายใจเคยมีร่างกายอันเก่าในชาติก่อน แต่ร่างกายอันเก่าในชาติก่อนนั้นได้สิ้นไปแล้วได้ตายไปแล้วแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็เลยอยู่ในโลกทิพย์รอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่พอมีพ่อแม่คนใหม่ได้สร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาใจที่รอรับร่างกายนี้อยู่ ก็จะมารับมาครอบครองร่างกายด้วยการส่งกระแสการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายทันทีใจนี้ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายใจนี้อยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกรธาต ใจกับร่างกายเชื่อมต่อกันด้วยกระแสของการรับรู้ของใจที่เรียกว่าวิญญาณที่มีอยู่ห้ากระแสด้วยกันกระแสวิญญาณที่มาเกาะที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณกระแสที่มาเกาะที่หูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณที่ที่ลิ้นที่จมูกที่ร่างกายก็เรียกว่าวิญญาณชนิดต่างๆไป พอตาได้สัมผัสกับรูปวิญญาณก็จะรับทราบรูปนั้นแล้วก็ส่งมาให้ใจคือเราผู้รู้พอเราได้รับรูปเราก็ใช้สัญญาความจำมานึกว่ารูปนี้เป็นใครหนอเคยเห็นหรือเปล่าเคยรู้จักกันหรือเปล่ามีชื่ออะไรหรือเปล่าน อันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาหรือความจำความจำได้หมายรู้เป็นผู้ที่จะมาวิเคราะห์ดูว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุพะะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายนี้แล้วส่งเข้ามาที่ใจด้วยกระแสของวิญญาณนี้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไร พอรู้ขึ้นมาพอจำได้ว่าเป็นรูปหรือเสียงกลิ่นที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะเกิดเวทนาความสุขขึ้นมาทันทีสุขเวทนาเวลาเห็นคนที่เราลากเราชอบนี่เราก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปเห็นรูปที่เราไม่ชอบมี ประสบการณ์ที่ไม่ดีกับรูปนี้กับคนนี้กับสิ่งนี้พอสัญญาจำได้ว่าเคยมีเรื่องมีปัญหามีทุกข์กับสิ่งนี้ทุกขเวทนาคือความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีพอเราได้ความรู้สึก เราก็จะมีปฏิกิริยาต่อความรู้สึกคือเราจะมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับความรู้สึกนั้นถ้าเป็นความรู้สึกที่ดีมีความสุขสุขเวทนาเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆเราก็พยายามที่จะครอบครองหรือเอาสิ่งที่เรา มีความสุขด้วยมาให้อยู่กับเราเป็นนานๆก <Stories. S 1> ็เกิดความอยากได้<อ>เห็นรูปที่ถูกใจเราก็อยากได้เ <Beispiel. S 2> ช่นไปเดินเที่ยวตามห้าง<อ>เห็นสินค้าที่ถู ก, กอกถูกใจเห็นแล้วเกิดความสุขขึ้นมาก็เกิดความอยากได้ในทางตรงกันข้ามถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีทำให้เกิดความทุกข์ เวทนาขึ้นมาก็อยากจะหนีอันนี้คือการทำงานของใจของพวกเราทุกคนผ่านใช้ร่างกายเป็นผู้ที่ไปรับข้อมูลต่างๆมาให้เราได้เสพกันเราก็พยายามที่จะหาแต่รูปเสียงกยลิ่นรสผลทพะที่ทำให้เราเกิดความสุขกัน ส่วนถ้าเราไปเห็นรูปเสียงกขีดลดผธพ้าเราก็พยายามหลีกเลี่ยงกันพยายามหลบกันบางทีก็หลีกได้บางทีก็ห ล, ลีกไม่ได้<ม>เช่นเดียวกับเวลาที่เราเห็นรูปเสียงกขีดลดผดพ้าที่เราชอบเราก็พยายามที่จะเอามาเป็นสมบัติของเราให้ได้<ม>บางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้ แต่ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะได้มาหรือไม่ได้มาก็ตามเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็หมดไปมันก็เปลี่ยนไปชีวิตของเราก็อยู่กับการเข้าหาและการนิ่นการออกห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผพัภา์ชนิดต่างๆพยายามเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสผพัทธ์ที่ให้ความสุขกับเรา แล้วก็พยายามหลบหนีรูปเสียงกยิริลดโผฏฐพัทภะที่ให้ความทุกข์กับเราชีวิตของเราก็เลยต้องดิ้นไปดิ้นมาตามความอยากของเราเวลาที่เราได้อยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้ใจเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลาที่เราอยากได้แล้วเราไม่ได้ ใจเราก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. อันนี้พอเราเกิดความทุกข์ใจเสียใจเราก็อาจจะไปทําอะไรเพื่อแก้ความทุกข์ใจความเสียใจด้วยวิธีไปทําร้ายสิ่งที่มาทําให้เราเสียใจก็ได้ mm hmm. เรียกว่าไปทําบาปกัน mm hmm. เวลาใครเขาพูดไม่ดีกับเราทําให้เราเสียใจ เราก็เกิดความโกรธเขาเราก็เกิดความมาคาดพยาบาท mm. อยากต่อตอบโต้เขาทำร้ายเราเราก็ต้องทำร้ายเขา mm. พอเราไปทำร้ายเขาเราก็ไปสร้างบาปให้กับใจของเรา mm. การสร้างบาปให้กับใจนี้เป็นการทำให้ใจสร้างความทุกข์ให้กับใจและดึงใจให้ลงต่ำ mm. ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไปทำสิ่งที่ดีกับผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาทำคุณทาประโยชน์เห็นแล้วเราดีใจเป็นกับเขาก็ยินดีที่จะช่วยเขาสนับสนุนเขาร่วมบุญกับเขาอย่างนี้เราก็จะได้ทำบุญการทำบุญนี้ก็เป็นการสร้างความสุขอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจ ความสุขที่ได้จากบุญนี้ต่างจากความสุขที่ได้จากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ถูกใจอันนี้เป็นคนละอย่างกันความสุขที่เราได้จากการสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้เราเรียกว่าสุขคเวทนาแต่ความสุขที่เราได้รับจากการที่เราไปทำความดีต่างๆทำบุญชนิดต่างๆ อันนี้เป็นความสุขใจเป็นคนละอย่างกันความสุขใจนี้มีผลต่อสภาพจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของเรามีความสุขและทำให้จิตใจเราสูงขึ้นจเจริญขึ้นจิตใจของเรานี้สามารถจเจริญให้สูงขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้หรือให้ ตกลงต่งกว่านี้ก็ได้ความสูงความต่ำของจิตใจก็คือภพต่างๆของใจนั่นเองเช่นตอนนี้ใจของพวกเรานี้อยู่ในภพของมนุษย์อยู่ในระดับของมนุษย์เป็นระดับที่กลางๆไม่สุขมากแต่ก็ไม่ทุกข์มากแต่มีภพที่ต่งกว่าของมนุษย์ ที่จะมีความทุกข์มากกว่าและมีความสุขน้อยกว่าอยู่สี่ระดับด้วยกันที่เราเรียกว่าอบายอบายสี่ได้แก่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกการที่ใจของเรานี้จะลงจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกนี้ ก็เกิดจากการทำบาปต่างๆของเรานั่นเองเวลาที่เราเสียใจเวลาที่เราผิดหวังเวลาที่เราอยากจะได้อะไรมากๆแล้วเราไม่สามารถได้มาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปเราก็อาจจะต้องทำบาปกันหรือไปทำบาปกันเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่การได้สิ่งเหล่านี้มานี้อาจจะให้เราได้สุ ข, ขเวทนาแต่กลับจะให้เราได้ความทุกข์ใจมีสองอย่างเวลาที่เราไปทำบาสนี้เราได้สุขทางเวทนาคือดีใจเวลาได้ไปขโมยเงินขโมยของขครเข้ามาได้ของที่เราอยากได้ ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแต่ในทางกับการใจก็ได้ความทุกข์ใจขึ้นเพราะเมื่อเราไปทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายใจความไม่สบายใจก็คือความทุกข์ใจเพราะรู้ว่าการทำบาปนี้เป็นการกทาที่มีผลที่จะตามมาต่อไปอาจจะถูกจับไปลงโทษก็ได้ อาจจะคนเาถูกคนเขาประนามคนเขาดูหมิน่นเพราะว่าคนทำบาปนี้ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญมีแต่คนจะตาหนิติเตียนอันนี้ก็ไปสร้างความทุกข์ทางใจได้ความสุขทางเวทนาทางความรู้สึกความสุขทางเวทนานี้เป็นความสุขเดียวเดียวได้มาดีใจตอนที่ได้มาเดียวเดียว แต่ความทุกข์ทางใจนี้มันอยู่ไปนานกว่าและมีผลส่งผลเสียให้กับจิตใจด้วยจะดึงจิตใจให้ลงต่ำไปทีละเล็กทีละน้อยจากการกระทําบาปจากการเป็นมนุษย์ก็จะถูกลงไปให้เป็นทีละเป็นเดรัจฉานทีละเล็กทีละน้อยหรือเป็นเปลืทีละเล็กทีละน้อยหรือเป็นอสูรร่กายทีละเล็กทีละน้อย หรือเป็นนรกเทเล็กเทาน้อยขึ้นอยู่กับบาปที่ทําว่าเป็นบาปหนักบาปบาปเบาบาปมากบาปน้อยถ้าหนักถ้าบาปหนักบาปมากก็เป็นเร็วเป็นเป็นมากเปลี่ยนเร็วถ้าเป็นบาปน้อยบาปเบาก็จะเป็นเทเล็กเทเล่น้อยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเรา ที่มาครอบครองร่างกายใจของพวกเราตอนนี้หลงอยู่กับสุ ข, ขเวทนาอยากจะได้เวทนาคือความรู้สึกที่สุขจากการที่เราได้ไปได้สิ่งที่เราอยากได้กันเราอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆเพราะว่าเวลาเราได้มาแล้ว เกิดความรู้สึกที่สุขนั่นเองแต่ถ้าเราไปหามันมาโดยวิธีที่ไม่ชอบวิธีที่ทำบาทนถึงแม้ว่าเราจะได้สุ ข, ขเวทนาแต่เราจะได้ทุกข์ทางใจน่าจะได้ลดตำแหน่งลดระดับจิตใจของเราให้ลงต่ำไปนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไปทำความดีต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรไม่ได้สุขคเวทนาคือไม่ได้ข้าวของที่เราอยากได้เช่นแทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวของที่เราอยากได้เราก็มาคิดว่าข้าวของเหล่านี้ความจริงเราก็ไม่จำเป็นเราไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนสู้เราเอาเงินนี้ไปให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ดีกว่าเลย ไปช่วยคนที่เขาอดข้าวอดปลาคนที่ทุกข์ยากลําบากไปซื้อข้าวไปแจกซื้อของซื้ออาหารไปแจกให้กับคนที่เขาเดือดร้อนอันนี้เราจะได้ความสุขใจถึงแม้เราเราจะไม่ได้ความสุขกเวทนาเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แต่เราจะได้ความสุขใจ และเราจะได้เลื่อนระดับของใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพต่อไปได้ระดับใจที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือเทพและระดับที่สูงกว่าเทพก็คือพรหมระดับที่สูงกว่าพรหมก็คือพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหัน พระพุทธเจ้าเป็นระดับจิตใจที่สูงสุดเกิดขึ้นจากการทําความดีต่างๆนี่คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราคือใจของพวกเราคือการกระทําของพวกเราเองไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นบุคคลใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะมา ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นหรือกดจิตใจของเราให้ลงต่ำได้มีสิ่งที่จะทำให้เราสูงขึ้นและลงต่ำได้ก็คือการกระทําที่เรียกว่าบุญหรือบาป น, นี้เท่านั้นนี่แหละคือเรื่องที่จะมาเกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราส่วนร่างกายของพวกเราที่เราได้มานี้มันก็เป็นของชั่วคราว เมื่อมันครบอายุไขของมันมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากร่างกายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและของต่างๆที่เราหาได้ผ่านทางร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆบุคคลต่างๆชื่อรางวัลต่างๆอะไรต่างๆว่าตาม ของต่างๆเหล่านี้มันก็บทดความหมายไปกับใจของเราเพราะใจของเรานี้ไม่สามารถเอาอะไรติดไปกับใจได้นอกจากสถานภ า, ภ, าภาพที่เราได้จากการทำบุญหรือทำบาปตอนนี้เราเป็นมนุษย์ทางร่างกายและาทางจิตใจแต่ถ้าเราได้ทำบุญกันอยู่เรื่อย เราจะยกระดับสถานภาพของจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพได้หรือถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเราก็จะสามารถยกระดับใจของเราให้ขึ้นจากเทพให้ไปเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลได้ทั้งๆที่เรายังมีร่างกายอยู่คือร่างกายเราตอนนี้ยังเป็นมนุษย์กันอยู่ แต่ใจของพวกเรานี้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เกิดจากการกระทําของใจเองคือการกระทําบุญหรือการกระทาบาบนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่เป็นตัวสําคัญที่สุดของพวกเราไม่มีสิ่งอันใดที่จะมีความสําคัญเท่ากับใจของพวกเรา พราใจของพวกเรานี้เป็นของถาวรเป็นของที่ไม่มีวันตายแต่ของเงินเื่นที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายและตัวร่างกายเองนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆที่เราได้มาทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆยุศถาบรรดาศักด์ ต่างๆรังวี่รางวัลต่างๆแล้วก็ความสุขที่ได้จากรา對對ูปเสียงกลิ่นรสผลสภาพชนิดต่างๆของเหล่านี้เมื่อร่างกายเราหมดสภาพลงไปของเหล่านี้ก็สิ้นสุดลงใจของเราไม่สามารถเอาของเหล่านี้ไปไปได้เลยเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ใจของเราที่มาเกาะด้วยกระแสะวิญญาณก็จะหยุดกระแสะวิญญาณที่มาเกาะก็จะถูกตัดขาดออกจากร่างกายไปนะก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์อยู่ตามสถานภาพที่ได้สร้างขึ้นมาในขณะที่มีชีวิตอยู่นะ บางท่านก็ทำบุญมากก็ทำบาปใจก็อยู่ในสถานะภาพของเทวดาบางท่านก็ไปปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเข้าชานได้ใจก็จะอยู่ในสถานภาพของพรหมบางท่านหลังจากที่ได้สถานภาพของพรหมได้สมาธิแล้วก็มาศึกมาเจริญวิปัสสนามาศึกษา อริยสัจสี่ตายลักเพื่อให้ปล่อยวางอุปทานความยึดถือในสิ่งต่างๆ <c oughs> ก็จะกลายเป็นพ้าอาริยบุคคลขั้นต่างๆไป <c oughs> ได้รับความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงไป <c oughs> ทุกระดับชั้นของของบุญนี้จะมีความสุขมากขึ้นและความทุกข์จะน้อยลงเช่นระดับของเทวดานี้ จะมีความสุขมากกว่ามนุษย์แล้วจะมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์แล้วก็ถ้าขึ้นไปสู่ระดับพรหมได้ระดับพรหมนี้ก็จะมีความสุขมากกว่าระดับเทเแล้วก็มีความทุกข์น้อยกว่าระดับเทเแล้วจากระดับพรหมก็จะขึ้นไปสู่ระดับอริยบุคคลอริยบุคคลแต่และขั้นก็จะมีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับ มีความทุกข์น้อยลงไปตามลําดับจนไปถึงจุดสูงสุดคือจุดของพระนิพพานหรือพระอรหันตานั้นใจก็จะมีแต่ความสุขร้อยเเซไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไปและนอกจากการที่มีความสุขร้อยเซ์แล้วก็ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้วใจก็ยังจะไม่ต้องกลับมา มีร่างกายอีกต่อไปด้วยตอนต้นที่ได้แสดงธรรมว่าใจนี้เวลาที่ไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะมารอรับร่างกายของพ่อแม่คนใหม่จากพ่อแม่คนใหม่คือมาเกิดใหม่นี่เพราะตอนนั้นใจยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ ยังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็จาเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นเครื่องมือถ้ายังมีความอยากเสพกรามเสพ ร, รูปเียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากนี้มันไม่หมดไปจากการที่เราตอบสนองความอยากอยากดูอยากฟัง ได้ดูได้ฟังมากน้อยเพียงไรความอยากดูอยากฟังอะไรนี้ก็ยังไม่หมดกลับมีความอยากดูอยากฟังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. วิธีที่จะทําทให้ไม่กลับมาเกิด mm hmm. ก็ต้องเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า mm hmm. การที่เราไม่อยากจะกลับมาเกิด น, นี้เราต้องละความอยากให้ได้ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่ละความอยากนี้ไปทําตามความอยาก ความอยากจะไม่มีหมดไปจากใจและเวลาที่ร่างกายตายไปความอยากก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในใจที่ไม่ตายและความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงดวงวิญญาณคือใจนี้ไปรอรับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วพอได้มาเกิดใหม่ก็มาหาความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสเหมือนเหมือนเคยหา แล้วก็นอกจากได้ความสุขเล็ก ๆ, ๆน้อยก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของทางร่างกายเ <ừ ừ. S 1> พราะร่างกายนี้มันก็ต้องมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายนั่นเองซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันเพราะเวลามีความเจ็บมีความแก่มันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์เวทนาไม่มีใครอยากจะได้ทุกขเวทนา <ừ. S 1> แต่ก็หนีไม่พ้น ถ้ายังมีการมาเกิดอยู่ตามใดที่ยังมีการมีการมาเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังจะต้องเจอทุกขเวทนาทางร่างกายอยู่ไปเรื่อยๆทุกขเวทนาที่เกิดจากความแก่ทุกขเวทนาที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาที่เกิดจากความตายแล้วก็เกิดความทุกขใจเพราะว่าใจไม่ต้องการอยากจะเจอทุกขเวทนา เมื่อเกิดความอยากไม่เจอทุกขเวทนาก็ไปสร้างความทุกข์ทางใจให้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์กันไม่ใช่มาหาความสุขกันถ้าไม่ต้องการที่จะมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นและการที่จะไม่เกิดได้ก็ต้องไประ ง, งับเหตุที่ทาให มาเกิดกันก็คือความอยากต่างๆสิ่งที่จะมาลรางความอยากต่างๆได้ก็ต้องมีปัญญาหรือวิปัสสนาและต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคือต้องเป็นพรหมก่อนได้เป็นพรหมก่อนพอได้เป็นพรหมแล้วก็ไปเรียนทางอริยบุคคลเรียนเรื่องอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยาก และความทุกข์ใจจะดับไปได้ก็ต้องกำจัดความอยากวิธีที่จะกำจัดความอยากก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากได้เช่นลาบยศสารเสริริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองว่ามันไม่ได้เป็นสุขอย่างที่เราคิดกันมันอาจจะให้สุขขเวทนาในเบื้องต้นแต่พอได้มันมาแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไป พอมันเปลี่ยนไปหมดไปสุขที่ได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามโรยจากความเศร้าโศกเสียใจพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้เพืาาอ่อที่จะได้มามีความสุขนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์นี่คือขั้นของพระอริยบุคคลท่านเกิดปัญญาท่านเห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเห็นว่าความอยากพายมาเวียนว่ายตายเกิด แล้วก็สร้างความทุกข์ทางใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสารเสรนนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปทาให้มันเป็นของถาวรไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาที่จะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ถ้าเราไปหลงไปอยากได้ความสุขจากเขาเราก็จะต้องผิดหวังเวลาที่เขาจบหลงเวลาที่เขาหมดไปหรือเปลี่ยนไปอันนี้คือปัญญาที่เราจะต้องใช้ในการที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้แล้วใจของเราก็จะ ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เราเรียกว่านิพพานเมื่อใจเป็นนิพพานแล้วใจก็ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางการไปเกิดผ่านทางร่างกายกต่อไปเกิดการเกิดจะก็จะไม่มีต่อไปสำหรับผู้ที่สามารถเจริญวิปัสสนาเห็นอายะสัจ ส, สี่เห็นตายลักได้นี่คือ สิ่งที่ใจของพวกเรานี้จะสามารถพัฒนารลอยกระดับใจของพวกเราให้ขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลาดับได้แต่การที่เราจะได้ขึ้นไปสู่ระดับต่างๆได้นี้เราต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุก่อนถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุนี้เราจะไม่รู้ สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราว่ามามาเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างไรและวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะทำอย่างไรอันนี้จะไม่มีใครรู้จะมีเพียงแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้ <c oughs> ดังนั้นถ้าพวกเราถ้าใครก็ตามถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็ดี เรือมีภาษาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ยังนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่อยู่ก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาลเพราะว่าการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งนี่เป็นของที่ยากและนานมากหลายกับหลายกัน หลายล้านล้านล้า น, านปีเอาล้านคูณกันหลายหลายครั้งเนี่ยก็าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาสร้างพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเราคือมาเป็นผู้สั่งผู้สอนมาเป็นผู้บอกทางให้พวกเราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการยวนว่ายตายเกิดนี่ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีพระธรรมคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นผู้สั่งผู้สอนพวกเราถ้าเราไม่มีคนสั่งคนสอนเราก็จะถูกความหลงเป็นผู้สั่งผู้สอนความหลงมันก็จะสั่งให้เราไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันนั่นเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ความหลง คิดว่าเป็นความสุขซึ่งมันก็เป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเช่นได้ล้านหนึ่งก็อยากจะได้สิบล้าน <S <S ได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านได้ร้อยล้านก็อยากจะได้พันล้านหมื่นล้านได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เชื่อลองไปถามเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกดู ว่าตอนนี้พอหรื อ, อยังเราบอกไม่พอหรอกอยังต้องหาอีกต่อไปยัง ต, ต้องทําอีกเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันงดเยิอกอยู่เฉยๆไม่ได้ความอยากมันจะคอยสะกิดใจให้ไปหามาเพื่อจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นออพอได้สิบล้านแล้วก็อยากจะได้ร้อยล้านเี่ย พอตอนนี้พอมีสิบล้านแล้วความสุขที่เคยได้จากสิบล้านนั้นมันหายไปแล้วมันสุขเดียวเดียวมันรู้สึกดีใจเดียวเดียวทีนี้มันก็มองไปที่ร้อยล้านแล้วอยี่สิบล้านสามสิบล้านเพิ่มขึ้นไปมันก็ความอยากนี่กับความหลงนี่มันจะคอยหลอกให้ใจต้องไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่เรื่อ ย, อยหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ และเวลาที่หาไม่ได้หรือเวลาที่สูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจอันนี้คือถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราเราก็จะถูกโมหะความหลงมาหลอกมาสอนให้พวกเรานี้ไปหาราบยศสรรสริญสุขกันอลองสังเกตดูสิพวกที่ไม่ได้เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธคนที่ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระทธเจ้านี้เขาจะไม่สนใจเรื่องการทําบุญลาบบาปหรืออะไรเขาจะสนใจอยู่แต่การหาราบยศสารเสริญสุขเพียงอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่สนใจด้ยวยว่าการหาราบยศสรเสริญสุคนี้จ ะ, จะถ้าถ้าจะต้องทําบาปเขาก็จะเขาก็จะทําเพราะว่า เขาต้องการลาบยศ ส, สรรสนุขมาให้ความสุขกับเขานั่นเองเวลาที่เขาไม่ได้แล้วเขารู้สึกหมดุดหิดรู้สึกงอยเหงารู้สึกว้าเวจึงต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็บางทีก็หาโดยวิธีทําบาปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มาสร้างโทษสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวดึงใจให้ลงต่ำลง เรื่องส่วนเรื่องการทำบุญก็ไม่เคยคิดอยากจะทำเพราะเสียดายเพราะว่าอยากจะหาเงินหาทองให้กับตัวเองเพียงอย่างเดียวเมื่อหามาแล้วก็เรื่องอะไรที่จะเอาไปให้คนอื่นอันนี้เขาก็จะไม่ไม่ชอบทำบุญกันพวกที่ถูกโมหะความหลงคอยเป็นคนสอนนี่จะสอนให้แต่หาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสจะไม่สอนให้ทำบุญจะไม่สอนให้ลาบบาบ เขาไม่รู้ว่าละไปทำไมบาปบุญทําไปทำไมสวรรค์นรกมีจริงหรือไม่เขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เชื่อตายแล้วก็ไปเวียนว่ยตายเกิดหรือไม่เขาก็ไม่รู้เขาคิดว่าเขาเป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปทุกอย่างก็จบใครเป็นผู้ไปรับบุญใครไปรับบาปใครไปสวรรค์ใครไปนรกในเมื่อตัวเขาคือร่างกายนี้ กลายเป็นซากศพแล้วถูกฝังดินไปหรือถูกจับเผากลายเป็นที่เท่าไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหน mm hmm. เขามองไม่เห็น mm hmm. เขาไม่รู้ว่ามี mm hmm. เขาก็เลยไม่สนใจกับเรื่องบุ ญ, mm hmm. บญเรื่องบาป mm hmm. สนใจแต่เรื่องการหาราบยศสรรเสริญห า, าความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเพลงอย่างเดียว นี่เป็นผลที่เกิดจากการไม่มีศาสนามาเป็นผู้นำทางมาเป็นผู้สอนเขาถ้ามีศาสนาเราก็จะเรียนรู้ว่า mm. เรามีใจและเรามีร่างกายมีสองส่วนร่างกายเป็นส่วนที่เราเห็นอยู่ใจนี้เป็นส่วนที่เราไม่เห็น mm. แล้วก็ร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเป็นส่วนที่ไม่สำคัญเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วครา แล้วก็เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นเองผู้ที่สุขหรือที่ทุกข์จริงๆนี้คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายทุกข์ก็เป็นเพียงแต่ทุก ข, เ, ขเวทนาที่เกิดจากการแปรปูนของร่างกายแต่ตัวร่างกายเองมันก็ไม่รู้ว่ามันมั น, ม, นมันทุกข์ร่างกายนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่รู้ว่าเขาแก่หรือหนุ่มนิสสาวเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเขาตาย เพราะร่างกายนี้เป็นเหมือนวัตถุอย่างหนึ่งเช่นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่นี้โทรศัพท์มือถือเวลาเราถ่ายรูปนี้โทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรรูปหญิงรูปชายนี้เขาไม่รู้ผู้ที่รู้ก็คือคนถ่ายเพราะว่าโทรศัพท์นี้เป็นเพียงวัตถุฉันใดร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์เป็นวัตถุทำมาจากธาตุสี่เกิดดินน้ำลมไฟไม่มีธาตุรู้ ถ้ารู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแยกกันคนละส่วนกันถ้ารู้นี่คือใจแต่ถ้ารู้นี้ถ้าไม่มีใครสอนให้รู้จักวิธีทําให้ใจนี้มีความสุขก็จะถูกหลอกจากความหลงให้ไปทําโดยวิธีที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจนั่เอง ก็คือพาให้ไปหลงหาความสุขจากลาบยศสารเสริษ<ม>จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ<ม>ถ้าถูกความหลงหลงนี้แล้วก็จะต้องติด<ม>เหมือนกับปลาติดเบ็ด<ม>จะต้องติดการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ เ, <ม>เพราะว่าความอยากนั้นมันไม่ได้หมดไปกับความตายของนั่งกาย อยากได้ราบยศสารเสวนสุขพ้อมเกิดมาปั๊บพอโตสามารถไปหาราบยศสารเสวนสุขได้ก็ไปหากันหาไปจนกว่าจะหาไม่ได้จนกว่าจะแก่จะเจ็บจะตายพอตายไปร่างกายตายไปใจที่มีความอยา่างนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็อยู่ในโลกทิพย์อยู่กับสถานภาพที่ที่ได้ทํามาไว้ถ้าเป็นบุญก็อยู่ใน ในสวรรค์ถ้าเป็นบาปก็อยู่ในอบายอยู่ในนรกเนี่ยแล้วพอถึงเวลาก็จะได้ร่างกายใหม่ก็จะมาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ก็มาทําแบบเดิมอีกมาห า, าลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลดิ่นรสด้วยวิธีการต่างๆบางทีก็ทําบาปกันถ้าหาโดยวิธีไม่ทําบาปไม่ได้ก็ทําบาปกัน บางคนก็อาจจะเป็นคนใจกว้างใจดี<ม>ถ้ามีเงินมากมีอะไรมากก็แบ่งปันให้กับคนอื่น<ม>ก็ได้ทำบุญบ้าง<ม>แต่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเพียงแต่รู้สึกว่าเวลาทำบุญแล้วมีความสุขใจ<ม>ก็ทำไปไม่รู้ว่าเป็นการสร้างสวรรค์ขึ้นมามมเวลาทำบาปก็ไม่รู้ว่าเป็นการสร้างนรกขึ้นมาพอไปคิดว่านรกกับสวรรค์นี้เป็นสถานที่เหมือน เหมือนประเทศประเทศนั้นประเทศนี้แต่ความจริงแล้วนรกและสวรรค์นี้คือสภาพจิตใจสภาพจิตใจของใจแต่ละดวงใจของเราแต่ละดวงนี้มีความทุกข์มีความสุขมากน้อยไม่เท่ากันใจบางดวงนี้มีสุขมากกว่าทุกข์ก็ถือว่าเป็นใจสวรรค์ใจที่มีทุกข์มากกว่าความสุขก็เรียวกว่าใจที่เป็นอบายใจที่เป็นนรก นรกและสวรรค์ น, นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่เป็นสภาพของจิตใจที่เกิดจากการทําบุญหรือทำบาปของจิตใจผ่านทางร่างกายเวลาเราทําบุญเราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นวันนี้ญาติโยมก็มาทําบุญเสียสละข้าวของเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของมาเพื่อมาทําบุญมาถวายให้กับวัดเพราะวัดก็ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเป็นเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องใช้กัน ญาโยมก็ยินดีเสียสละเพราะอยากจะให้ผู้มีความสุขและถ้าเกิดมีความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องสวรรค์ก็เชื่อว่ากําลังสร้างสวรรค์ให้กับใจของตนเองเวลาใจตายไปใจจะได้อยู่ในสวรรค์อยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขถ้าเราอยากจะรู้ว่านรกสวรรค์นี้เป็นอย่างไรเราสามารถมีตัวอย่างให้เราดูได้ตัวอย่างของนรกของสวรรค์ก็ ในขณะที่เรานอนหลับนั่นเองเวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายของเราเหมือนคนตายตอนนั้นร่างกายไม่ทอะไรนอนเฉยเมื่อเราไม่สามารถเมื่อใจไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปหาความสุขทางตงาหูจมูกลิ้นกายได้ใจก็เลยต้องอาศัยบุญหรือบาปเป็นตัวพาไปเวลนานอนหลับถ้าใจมีบุญมากกว่าบาปใจก็จะฝันดี การฝันดีนี้ก็สแสดงว่าใจอยู่ในสวรรค์เพราะเวลาฝันดีนี้จะมีความรู้สึกมีความสุขได้ไปเห็นสิ่งที่ดไีได้ไปสัมผัสสิ่งที่ดีได้ไปรับรู้เรื่องราวที่ดีต่างๆจึง ท, ทำให้ใจมีความสุขในทางตรงกันข้ามถ้าใจไปทำบาปใจก็จะฝันร้ายฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดความทุกข์ เพราะว่าเวลาที่เราไปทําบุญหรือทํำบาปนี้เราจะบันทึกบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําเวลาเราทําดีเรามังจะไปสร้างสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นแล้วมันก็บันทึกไว้ในใจเวลาเราไปทําบาปแล้วก็ไปสิ่งที่ไปไปทําสิ่งที่ไม่ดีกับผู้อื่นมันก็จะบันทึกไว้ในใจพอเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เราบันทึกไว้ในใจคือบุญหรือบาปนี้ มันจะก็โผล่ขึ้นมาในรูปแบบของความฝันมันก็จะฝันว่าเราไปได้ไปทำหรือไปพบไปเห็นในสิ่งที่ดีที่งามหรือถ้าเราทำบาปเราก็จะไปพบไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ได้นี่แหละคือสภาพของใจเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วหรือเวลาที่ร่างกายนอนหลับไม่ทำงาน เหมือนกันเวลาหลับกับเวลาตายนี้ไม่ต่างกันต่างกันที่ระยะเวลาคือเวลาหลับก็ตายชั่วคราวตายไม่กี่ชั่วโมงตายหกชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าตายแบบตายจริงนี่ก็ตายยาวไปเลยนานกว่าจะกลับมาเกิดก็ต้องรองให้มีร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่พอเกิดออกมาจากท้องแม่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่อีกที ออกจากโลกของความฝันนีงั้นก็คือสรุปก็คือเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้ใจของพวกเราทุกคนนี้อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์นี่ก็คือโลกของความฝันนี่เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับนี้ใจเราอยู่ในโลกทิพย์ะไม่สามารถมาทางโลกทางร่างกายได้เพราะตอนร่างกายไม่ทำงานไม่ทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกาย พักทำงานชั่วคราวเมื่อใจไม่สามารถที่จะมาหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ใจเลยก็ต้องหาอาศัยความสุขผ่านทางโลกทิพย์คือจากบุญจากบาปที่ได้ทำเอาไว้บุญกับบาปจะเป็นผู้ที่จะให้ใจได้ไปเสพได้สัมผัสความสุขหรือความทุกข์ต่างอันนี้แหละคือสวรรค์ถ้าได้ฝันดีก็เรียกว่าได้อยู่ในสวรรค์ ถ้าในถ้าฝันร้ายก็อยู่ในอบายไม่อยู่ในนรกเวลานอนหลับนี่มันเป็นแบบดูหนังตัวอย่างครับเองยังไม่ได้ดูหนังจริงเวลาจะดูหนังจริงนี้ต้องรอเวลาตายเพราะมันจะฝันยาวฝันร้ายก็ฝันยาวฝันดีก็ฝันยาวเหมือนกับเวลาเราไปดูภาพยนตร์นี่เองบางทีเขาก็มีหนังตัวอย่างให้เราดูเพื่อ เพื่อล่อล่อใจเราว่าหนังเรื่องนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นแค่หนังตัวอย่างถ้าอยากจะลดดูหนังจริงต้องรอให้เข้าโรงก่อนหนังจริงก็จะยาวถึงสองชั่วโมงหนังตัวอย่างอาจจะยาวแค่หนึ่งนาทีสองนาทีท่อันนี้ก็เหมือนกันนี่แหละคือสวรรค์เรกมันไม่ได้เป็นสถานที่ถ้าเราไปหาสวรรค์นในบนุญทองฟ้านี้จะไม่มีวันเจอ เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจโลกต่างๆก็เจอแต่ดวงจันทร์เจอแต่ดาวอังคารเจอแต่อะไรต่างๆแต่ไม่เจอสวรรค์ไม่เจอเทวดาขุดเจาะลงไปใต้ดินก็ไม่เจอนาลกเนี่ยเพราะว่าสวรรค์นาลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกกระทัดมันอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในใจของแต่ละคนนั่นเอง อยากจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็คืนนี้แหละนอนหลับนองคอยสังเกตดูว่าคืนนี้จะฝันดีหรือฝันร้าย<ม>ฝันรายก็เรียกว่าเป็นนรกหรือเป็นอบาย<ม>ฝันดีก็เรียกว่าเป็นสวรรค์<ม>อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราทําบุญทำบาปตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าวิธีที่จะยุติ เรื่องราวต่างๆเรานี้ยุติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในสวรรค์บ้างในนรกบ้างในอบายบ้างหรือในภพของมนุษย์บ้างเราต้องมายุติความอยากกันให้ได้แล้วขั้นแรกที่เราจะยุติความอยากได้ก็คือให้เรายุติการกระทำบาปกันละการกระทำบาทั้งปวงเพราะว่าการกระทำบาป ด้วยความอยากนี้มันจะทําให้ใจเราลงต่าถ้าลงต่าแล้วเราจะขึ้นไปสู่ที่สูงไม่ได้เหนเบื้องต้นเราต้องยุติการลงต่าของใจด้วยการละการกระทำบาปต่างๆเมื่อเราละได้เราก็มาทำบุญกันขั้นที่สองคสอนของมุติเจ้าข้อที่สองก็คือ มาทำบุญชนิดต่างๆกันแล้วแต่เราจะชอบบุญแบบไหนก็ทำได้ทวาดีทุกชนิดเป็นบุญเัรานั้นคือทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอยาทำคุณทำประโยชน์กับวัดกั บ, ก, บกับศาสนาก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับสถานสงฆคร้อต่างๆก็ได้ทำบุญกับสภากาชาติก็ได้องค์กรอะไรที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมหรือเราจะไปทำเอง ทำให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตวัวควายก็ได้ทำได้ทั้งนั้นอ่ะเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำบุญต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาทำกันเพราะบุญเหล่านี้จะพจะยกระดับจิตของพวกเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์เป็นเทวดานั่นเองพอเราได้เป็นเทวดาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องยกระดับให้ไปสู่ขั้นที่สูงกว่าระดับของเทวดาคือระดับของพรหม การจะเข้าสู่ระดับของพรหมได้เราก็ต้องไปปฏิบัติสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้ได้เพราะว่าถ้าใจเข้าฌานได้แล้วใจก็จะมีความสุขมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขของของสวรรค์ของมนุษย์ของเทพของมนุษย์ เราต้องยกระดับใจขึ้นไปสูงเรื่อยๆเพราะพระนิพพานนี้การสิ้นสุดของการเยนว่ายตายเกิด น, นี้อยู่ขั้นสูงสุดนั่นเองเราก็ต้องขยับขึ้นไปการขยับขึ้นไปแต่ละขั้นนี้ก็เป็นการลดความอยากลงไปให้น้อยลงไปเรื่อยๆเช่นเวลาเราไม่ทําบาปเราก็ลดความอยากที่จะไปทําอะไรอยากได้อะไรด้วยการทําบาปแล้วก็ลดความอยากลงไม่เอาก็ได้เมื่อ อยากจะได้เงินแต่ถ้าได้เงินด้วยการที่จะต้องไปขมโมยเขาก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็ลดความอยากลงไปแล้วเราก็มาลดความอยากการที่เราจะเอาเงินไปหาความสุขจากรูปเสียงกลินลดต่างๆเราก็เอาเงินไปทําบุญทําทานแทนอันนี้ก็เป็นการลดความอยากในระดับของทานของการทําบุญมเมื่อเราลดความอยากของการทําบุญได้แล้วเราก็มาลดความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งให้สงบ นั่งนั่งสมาธิเข้าสมาธิให้ได้พอเข้าสมาธิได้ใจสงบความอยากก็หายไปหมดชั่วคราวอันนี้เป็นการกำจัดความอยากแบบให้หมดเลยแต่เพียงแต่เป็นความหยุดมันชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พอออกมาจากสมาธิแล้วมันก็เริ่มอยากใหม่ทีนี้เราก็ต้องใช้การปฏิบัติขั้นที่สูงสุดคือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญามาสอนใจให้เห็นว่า สิ่งที่เราอยากได้เป็นใจรักเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราทําให้มันเที่ยงไม่ได้ทําให้เป็นให้มันให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันให้ทั้งสุขให้ทั้งทุกข์กับเรา<ม>พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรพอความอยากหมดสิ้นไปจากใจใจก็ว่างสนิทว่างปราศจากความอยากเมื่อใจไม่มีความอยากใจก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป ใจที่เพราะว่าไม่มีความอยากเป็นตัวผักใจเหมือนเมื่อก่อนถ้ายังเป็นปุถุชนอย่างพวกเราพวกท่านเหมือนตอนนี้ยังมีความอยากอยู่ยังอยากได้มีอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอย่างมีนี่อย่างเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยู่อย่างนี้ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าทาตามที่พระเจ้าทรงสอนคือละการกระทาบาปด้วยการรักษาศีลทำบุญทาทาน เำเงินเอาทางไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้ดีกว่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของความสุขต่างๆที่เป็นความสุขปลอมแล้วก็พอทำได้แล้วก็ไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นฌานเพื่อหยุดความอยากเต็มที่แต่เป็นเพียงชั่วคราวพอจากสมาธิมาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนว่าสิ่งที่ความอยากต้องการเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข พอรู้ว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ต่อไปความอยากทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจตรงนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานก็คือใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจนี้จะไม่ไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะใจนี้ไม่มีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะมีความสุขที่ได้จากความสงบความ ที่เกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่เองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันจากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันและขณะที่ฟังเทศฟังธรรมใจของเราก็จะได้ความสงบควบคู่ไปด้วยจากกาจัดความสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการกําจัดความอยากต่างๆเกิดจากการละ ก, การกระทำบาปเกิดจากการทำบุญต่างๆ mm hmm. เมื่อเรามีคมเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไปทำในสิ่งที่ถูกต้องติ่งที่พู้เจ้าทรงสอนเมื่อทำตามตาแล้วผลก็คือความสุขและความเจริญที่สูงสุดที่จะตามมาต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปกติอิชิตังปัจิตังตุมหังคิะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังสปา จันโทปะนะาวาโสยะามะิโชติอาวาโสยะาสัพพิติโอวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตาายุสุขีทีขายุโกภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่จะคุยกันได้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะยังต้องมีการเก็บข้าวเก็บของทําอะไรอยู่ยงั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางมือถือทางเพจทาง youtube ได้แล้วทีมงานจะนำมามาอ่านวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ รกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุศจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ481 YouTube พระสุชาติไลฟ์304 YouTube ดกร103 143ค่ะวิทยุออนไลน์8คลับ House 12นากุศ170รวมทั้งหมด 1,118 ท่านค่ะวันนี้มากย ม, มาเป็นกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกัน ถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลยพูดดัง ๆ, งๆเลครับกลับสาธุข้าพาจยา์ครับจะสอบถามเรื่องการทําบุญร้อยวันครับว่ามีความเกี่ยวข้องทางพุทธศาสนาอย่างไรและควรวางจิตวางใจอย่างไรหรือพระอาจารย์มีคําแนะนําใดบังคับคือเกี่ยวข้องตรงที่เป็นคําสอนของพระเจ้าว่าเราควรจะทําบุญ ทำได้มากน้อยเท่าไหร่ทำไปแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอร้อยวันรอวันเกิดเรือรออะไรควรจะทําทุกวันเหมือนกับการรับประทานอาหารเพราว่าบุญนี้เป็นเหมือนกับเป็นอาหารของใจที่จะให้ความสุขความเจริญกับจิตใจเพราว่าเ ว, เวลาของเราแต่ละคนก็ไม่แน่นอนว่าจะไปกันเมื่อไหร่ถ้าเรามารอเวลาวันเกิดค่อยทำสักครั้งหนึ่งมันอาจจะทําได้น้อยดงนั้นทำให้มาก ส่วนที่จะทำบุญร้อยวันห้าสิบวันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อทางทางโลกคือว่ายังไม่อยากให้คนตายจากไปตายแล้วก็ยังเก็บร่างกายไว้เก็บไวเ้เป็นให้เป็นเหมือนกับให้คิดถึงกันสักพักหนึ่งก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าตายพเพิเผาเลยหม่ว่าเกลียดกันเกลียดชังกันหรือเปล่านี่นแต่ความจริงไม่หรอกร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีความหมายละในตัวมัน จะเก็บไว้ร้อยวันห้าสิบวันเจ้าของร่างกายคนตายก็ไม่รู้อยู่ดี ค, คนตายเขาก็ไปตามชามุนตามบาปของเขานอะเหมือนคนที่นอนหลับนะบเวลาที่เรานอนหลับคนเ็าจะไปทำอะไรกับบ้านเราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายไปใครังมาทำอะไรกับร่างกายเราก็ไม่รู้ดังนมันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าทางโลกเขาก็ยังมีความคิดที่ว่าเดีย๋ยวจะก่อนจะจ ะ, จะถูกเขาะหา่า เก็บพ่อเก็บแม่เรื่องไงพอตายปุ๊บสามันเผาเลยไม่เก็บไว้ก่อนครับแล้วคิดว่าทําบุญให้คนตายก็ทําไม่ได้บุญนี้เป็นขอ ง, ของคนเป็น ค, คนตายนี้ได้นิดหน่อยได้ส่วนแบ่งนิดหน่อยคือเราทําแล้วเราแบ่งบุญไปให้กับคนตายได้แต่เป็นบุญส่วนน้อยบุญส่วนใหญ่นี้จะเป็นของคนคนเป็นนั้นการทําพิธีอะไรตอนที่คนตายนี้ไม่ได้ทำให้คนตายทําให้คนเป็น สวดมนต์สวดเทศพระเทศก็เทศให้คนคนเป็นฟัง ค, คนตายฟังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องทั้งนี้นแต่ว่าอาศัยเหตุของคนตายมาเป็นเหตุให้เราทําบุญกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีเหตุเราก็มกักจะไม่มีเวลาตัวจะไปทํางานหาเงินตัวแต่จะไปเที่ยวอะไรกันเวลาที่จะมาทําบุญเลยไม่ค่อยมีกันก็เลยต้องรอโอกาสเวลามีมีเหตุการณ์สําคัญสำคัญที่วันเกิดวันตายอะไรทํานองนี้ ก็จะได้มีเวลามาทําบุญกันบ้างเท่านั้นเองครับแล้วการเก็บอัฐินี่ก็เหมือนกันก็เป็นของที่เราเล็กเท่านั้นเองจะเก็บไว้ก็ได้จะเอาไปลอยอังคารก็ได้ครับบางคนก็คิดว่าเก็บไว้เฉพาะชีวิตเราเดี๋ยวเราตายไปรูปหลานมาเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรือว่าเขาไปอาจจะเป็นภาระเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมเอาไปลอยอังคารกันครับตายแล้วก็เอาไปโยนลงทะเลชงกลับคืนสู่สภาพเดิม มันเป็นดินน่ะขี้เถาเป็นดินเศษกระดูกก็เป็นดินไม่เป็นคนแล้วมันไม่เป็นใครทั้งนั้นครับเก็บไว้มันก็อาจจะเป็นภาระสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปครับามาคอยดูแลรักษากรณีครับสธุกรับพาจาย์ถามเรื่องการปฏิบัตินิดหนึ่งครับอาจารย์เอตอนนี้เริ่มจะมีสติ มากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิมีบางจังหวะก็เข้าสมาธิได้ดีพอเริ่มสงบมีบางครั้งเหมือนจะตัวยืดสูงๆนิดๆแต่จะอยู่สภาวะแบบนี้ไม่นานครับแล้วก็จะเผลอไปคิดไปคิดแต่ว่าเริ่มจะมองเห็นกระแสที่แบบไหลไปคิดบ้างแต่ทุกอย่างจะไม่นานครับแล้วก็ได้ใหม่ๆกำลังสติของเรามีน้อย หยุดมาได้เชื่อไปเดี๋ยวประเดา้เดาก็าต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นแล้วนั่งให้บ่อยขึ้นแล้วต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นนิ่งได้นานขึ้นสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งก็คือความนิ่งของใจเรจะเห็นอะไรไม่เห็นไม่ไม่สำคัญไม่จำเป็นไม่เห็นได้จะดีกว่าสิ่งที่เราต้องการคือความนิ่งความสงบและความสุขที่เกิดจากความนิ่งนั้น จะวัดว่านิ่งนานๆไม่ไหลไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใชพรมันจะไปไหลไปคิดกันหนึงมันกลับมาพอามีสติแล้วก็ยันหนึงมันกลับมาได้หรือว่ากําลังจะไปแล้วก็อยากไปอ๋อครับผมแล้วก็ผมใช้วิธีเดินจงกรมสักชั่วโมงแล้วก็นั่งสักยี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้รู้สึกจะได้ผลดใีใช่อาจจะต้องเดินมากหน่อยก่อนเพราะว่าสติเรายังมีน้อยนั่งไม่ได้นาน เดินได้นานกว่าเพราะเดินเวลาเดินมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ต้องใช้สติมากเหมือนกับเวลานั่งเวลานั่งนี่มันต้องใช้สติบังคับใจมากมันก็จะมีนั่งไม่ได้ไม่ได้นานแต่เวลาเดินนี้เราไม่ต้องใช้สติมากในการบังคับใจก็เดินจะเริาสติไปก่อน มีสติมากมากขึ้นแล้วค่อยกลับมานั่งถ้าเดินนี่บางทีผมก็เดินเร็วบ้างช้าบ้างได้ไม่เป็นไรช้าเร็วแล้วแต่ความเหมาะสมบางทเมื่องงนอนก็เดินให้มันเร็วหน่อยบางทีบางทีมั น, ม, นมันฟุ้งมากก็ให้เดินให้มันช้าหน่อยอ๋อสปีดขึ้นอยู่กับความฟุ้งใช่ไหมครับความฟุ้งแล้วความสง บ, บของใจแล้วขึ้นอยู่กับความเนะความง่วงหรือไม่ง่วงของใจนะของร่างกายด้วย อย่นี้<ด>ก็ต้องสังเกตดูว่าชา้าช้าจะดีกว่าหรือเร็วจะดีกว่าได้ผลอันไหนดีกว่าก็สลับกันไปได้อันนี้ไม่มีไม่มีสปีดตายตัวครับผมครับสาธุครับพระอาจารย์ครับจะสงไปข้างหลังต่างข้างหลังเลยข้าเรียนเรียนถามพระอาจารย์ตัวค่ะคืออยากจะทราบว่าเราจะมีวิธีที่จะแยกจิตออกมาจากอารมณ์ ปกติเนี่ยถ้าดูจิต ด, ดูจิต ด, ดูกายระหว่างวันเราจะรู้กายเคลื่อนไหวจิตกำลังคิดอยู่เรื่องใดอยู่เราจะรู้แต่ถ้ามันเป็ น, เ, ปนเรื่องที่เป็นจุดอ่อนนะคะมันมจะแยกออกมาไม่ได้<ช>มไม่ได้เพราะสติยังน้อยไปใชต้อม<ะ>มันฝึกสติพุโทโธพุโทโธ พราะพอถ้ามันเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ถอยมาดูคล้ายๆเราดูบอลดูหลังูละครแต่ถ้าเป็นจุดอ่อนเนี่ยมันจะไม่ทันไม่ทันใช่เพราะสติมีน้อยไปอ๋อเจ้าค่ะต้องฝึกสติค่ะแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะในกรณีที่คนป่วยที่ไม่มีทางรักษาแล้วอย่างเช่นเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราเขาทรมานมากเขา ตงการให้แบบให้ฉีดยาให้เขาหลับไปเลยเนี่ยจะบาปไหมเจ้าคะให้เขาฉีดธรรมะดีกว่าฉีดธรรมะท้องใจจะไม่ทรมานบาปถ้าฆ่าตัวตายเอาให้คนอื่นทําให้เราเขาก็เขาก็บาปอย่างเช่นให้ให้คุณหมอก็บาปเจ้าค่ะเราก็บาปด้วยเพราะเราไปสั่งเขาเจ้าค่ะทำเองก็ดีสั่งให้คนอื่นทําก็ดีบาปด้วยกันทั้งคู่วิธีแก้ความทุกข์ทรมานใจก็คือทําใจให้สงบเจ้าค่ะใจสงบเราจะไม่ทรมาน ปัญหาอยู่ที่ใจไม่สงบแล้วมันจะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่าตายไปเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ก็เจอแบบเดิมอีกกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าใช้ความสงบได้ก็สบายกลับมาเกิดกี่ครั้งเจ็บกี่ครั้งก็ไม่เดือดร้อนค่ะพยายามฝึกสมาธิให้มากๆฝึกสติให้มมากพยายามอยู่เจ้าค่ะเวลาร่างกายเป็นรายก็จะเฉยได้เจ้าค่ะโอเคนะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ นะครัท่ า, าท่านมาตามทางต่ออ่าไอ่าครับครับคุใกล้ๆหน่อยจะได้ยินเสียงขออาจารย์ครับออผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับออทางเดินสายกลางกับออการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเนสัชิ ก, กครับาการเนสัชิกจะเป็นการเคร่งแบบไม่หลับไม่นอนไม่อะไรอันนี้จะ อันนั้นเป็นกรณีพิเศษเวลาที่เราต้องการจะเร่งความเพียรแล้วเรารู้สึกว่าเรามีกำลังมากที่จะปฏิบัติแบบไม่นอนสักสองสามวันนี้หรือวันหนึ่งแล้วแต่เราจะกำหนดได้ อ, อันนี้ทำเป็นเพียงระยะระยะเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นการอัดฉีดเพราะจะขึ้นเขานี้มาทีต้องเร่งเครื่องให้มันแรงหน่อยมันถึงจะขึ้นได้ถ้าวิ่งแบบธรรมดาธรรมดามันหมดแรง ก็เลยต้องใช้ทุดงเนี่ยข้อธุดง ข, ดงขาวะ ต, ต่างๆนี้เป็นการอัดฉีดให้พลังกับใจให้กับการปฏิบัติครับเป็นถ้าเราไม่นอนได้เราไดไม่เสียเวลาปฏิบัติต่ อ, อเพราะเวลาเรานอนเราก็ไม่ได้ปฏิบัติขาดช่วงไปครับอย่างถ้าเราไม่ยอมนอนปฏิบัติจเจริญสตินั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมต่อได้เราก็จะได้ผลมากขึ้น อันนี้ไม่ได้ทำตลอดเวลาทำเฉพาะบางช่วงเบางแห่งเ็ก็ทำตามวัดต่างๆบางทีเขาก็ทำแค่วันพระอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็ในสัจจิกรัะครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ขับไล่ความเกลียดคายไปในตัวเนอะ บ, บางทีเราเกลียดคายก็เลยต้องใช้อาศัยความเพลยนมามาม า, มาดับมันมากำจัดมัน ไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับมัชชิมาหรือมัชชิมาครับมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะใช้มันหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ใช้ถ้าคิดว่าใช้แล้วมันได้ประโยชน์กว่าไม่ใช้ก็ใช้มันไป <c oughs> บางคนก็ใช้วิธีหลับไอโอตาหานก็มีโ <c oughs> อตาหานที่เราสามวันบ้างห้าวันบ้างมันก็ช่วยกระตุ้นกระตุ้นความเพียรได้กระตุ้นความขยันมันเพียรได้รครับ <c oughs> อั น, นก็เป็นอุบายเรียกว่าอุบายใช้ในเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมเป็นประโยชน์กับเราครับขอบคุณครับในสายตาคนอื่นก็อาจจะคิดว่าต่งเกินไปสุดต่งเกินไปไม่กินข้าวไม่หลับนอนแต่ในสายของผู้ปฏิบัติก็กลับว่าเป็นเป็นเครื่องมือทำให้เขาได้ผลดีจากการปฏิบัติ ค่ะคำถามจากหน้ากุดค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูนั่งสมาธิจนผ่านเวทนาไปได้แล้วมีอาการตกเหวค่ะซึ่งดิ่งลงนานมากๆหนูก็อยู่กับบทสว ด, ดสวอิติปิโสอาการดิ่งก็ไม่ถึงพื้นสักทีแล้วก็เด้งออกมาซึ่งก็เป็นอย่างนี้หลายครั้งมากไม่ถึงพื้นสักทีขอพระอาจารย์ให้คําแนะนําหนูด้วยค่ะอย่าสวดมันจะลองลองรู้เฉยๆไปการสวดบางทีมันก็ไปดึงมันออกมาได้ เพราะจิตมันเข้าสู่จุดละเอียดแล้วมันไม่จุดที่มันไม่ต้องการที่จะคิดแล้วถ้าเราไปสูดก็ไปคิดมันให้ดูเฉยๆไปเวลาผ่านเวทนาไปแล้วก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเวลามันคิดก็หยุดมันแล้วก็อย่าไปอยากให้มันลงไปให้ให้สุดถ้าอยากมันก็ไม่ลงนะต้องรู้เฉยๆไปให้มีสติเพ่งดูลมไปก็ได้ถ้าดูลงได้ก็เพ่งดูลมต่อไป คำถามถัดไปจากคุณแบมแบมกราบนมัพรสการพระอาจารย์จะแยกความคิดที่เป็นธรรมกับกิเลสออกได้อย่างไรจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคะเช่นบางทีกิเลสก็หลอกโดยให้เหตุผลในทางปฏิบตัติเช่นหลอกให้ไปภาวนาที่นั่นจะดีที่โน่นจะดีหรือให้ออกไปทําบุญทําทานตลอดตอนที่มีเวลาภาวนาโดยเวลาคิดอะไรเริ่มงงค่ะว่าจะเชื่อได้ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ขั้นปฏิบัติขั้นไหน แต่ละขั้นมันอาจจะขัดกันได้เป็นขั้นทำบุญทำทานกับขั้นไปปฏิบัตินี้มันขัดกันถ้าเราจะไปปฏิบัติธรรมเราอาจจะต้องอหยุดการทำบุญทำทานไว้ชั่วคราวก่อนเพราะช่วงนั้นถ้ามาทำบุญทำทานมันก็จะมารบกวนการปฏิบัติธรรมถ้าการปฏิบัติธรรมล้วก็ไม่ต้องทำบุญแต่ถ้าเวลาไหนไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปทำบุญก็ไปทำได้ฉะนั้นต้อ ง, ต ง, ต ง, ตงแยกแยะดูว่า อันไ น, น, อนไหคอันนไน ำ, ำถามสวดปลาจากคุณอรัญญากราบนรรมชการพระอาจารย์ค่ะในกรณีที่เรามีพระพุทธรูปสะสมในห้องพระมากรวมถึงองค์เทพต่างๆซึ่งจะขอนำพระพุทธรูปแล้วเทพต่างๆไปถวายวัดบ้างทำแบบนี้ผิดถูกประการใดคะไม่ผิดอะไรเพราะเป็นการทำบุญทำทานยู่ที่ผู้รับเขาสะดวกจะรับหรือไม่ ทางวัดมันเต็มไปหมดล้นไปหมดไม่มีที่เก็บไม่ที่มีที่วางก็ลองประกาศทางเพจก็ได้ว่าใครอยากจะได้ก็เชิญมาเอาไปอย่างนี้อาจจะอาจจะแจกได้ตรงกับผู้ที่ต้องการคนที่ก็อยากได้พอรู้ว่ามีการแจกเขาก็ติดต่อมาถ้าเราอยากจะทําบุญทําทานก็อาจจะส่งไปให้เขาก็ได้อยอมเสียค่าส่งหน่อยมีคุณโย์ข้างหลังนมันสการถาด คืออยากสอบถามว่าถ้าเกิดเรานั่งสมาธิแล้วเราเปิดยูทูบฟังเทสไปด้วยได้ไหมคะในเบื้องต้นถ้าเรายังนั่งแบบโดยที่ไม่ดูได้แล้วก็เปิดดูไปก่อนได้เพราะบางทีสติเรายังมีน้อยแล้วใจเรายังคิดมากอยู่เราก็สายการฟังเทสไปให้มันหายฟุ้งก่อนพอมันหายฟุ้งแล้วเราก็หยุดฟังหยุดดูแล้วก็หลับตาดูลมหายใจต่อไปคือกดปิดกดปิดพอเริ่มนิ่งแล้วเราก็กดปิดใช่ไหมครับใช่เป็นเหมือนช่วง เบื้องต้นมันต้องอาศัยการฟังเป็นการก่อ<ห>นใจก่อนี้หรือการสวดมนต์ไปก่อนแต่ใ น, นที่สุดก็ต้องมาดูลมหายใจเขา้าหรืออยู่กับพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวค่ะเกียค่ะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปจากท่านเดิมค่ะรูปปฏิทินเก่าๆที่มีรูปในหลวงหรือพระรูพพุทธเจ้าเห็นว่าเก่าหรือชํารุดแล้วถ้าจะทิ้งจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกมันก็เป็นของเก่า แต่ถ้าเรายังมีความข้อรพ ก, ก็เราก็เก็บไว้ก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปทิ้งทาไมก็เก็บไว้ที่ไหนเก็บภาพออใส่ในถุงอะไรไปก็ได้เก็บรือถ้าเราอยากจะกาจัดก็เอาไปเผาทิ้งก็ได้ไ ม, ไ, ม ไ, มไม่บาปอะไรไมันเป็นวัตถุอย่า ง, งอยู่ที่เจตนาว่าเราทำด้วยความรักด้วยความเกียรชังด้วยเหตุผลอะไร อีกคำถามนึงจากท่านเดิมค่ะพระพุทธรูปไปทิ้งไว้ตามใต้ต้นไม้ถือว่าบาปไหมคะไม่ควรอะพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่เราควรจะบูชาควรจะตั้งไว้ในที่เหมาะสมหรือถ้าเราไม่ต้องการก็ควรจะให้กับคนที่เขาต้องการไปถ้าหาคนคนรับไม่ได้ก็ถ้าฝังดินได้ก็ไปฝังจะดีกว่าหรือว่าพ่อไปวางไว้เหมือนกับเป็นกองขยะบางทีใต้ต้นโพบางแห่งนี้เต็มไปหมดเลย ของพระพุทธรูปเก่าของอะไรต่างๆไปเพราะว่าไม่กล้าทำลายจากการทำลายนี้มันไม่ไม่ไม่ไม่ผิดไม่เสียหายน่าจะเป็นความเหมาะสมกว่าเพราะจะได้ไม่อุจจ า, ารศร้าคนอื่นเห็นพระพุทธรูปนอนอยู่กลางข้า ง, งต้นไม้ อ, อะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันไม่สวยงาง ม, มก็ช่วยออกไปฝังดินท่านดีกว่าค่ะ คำถามถัดไปจากคุณวุฒิชัยกราบขอสอบถามให้เพื่อนครับเพื่อนนั่งสมาธิโดยใช้วิธีกําหนดลมหายใจเมื่อถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าลมหายใจเหมือนไม่ได้หายใจจึงทําให้ออกจากสมาธิติดอยู่ตรงนี้ตลอดกราบขอคําแนะนําวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ผ่านจุดนี้ไปค่ะก็ดูต่อไปดูจุดเดิมถ้าเราดูลมที่ปลายจมูกก็ดูตรงนั้นไปเวลาไม่มีลมก็ดูตรงจุดเดิมไปหรือว่า รูว่าไม่มีลมเดี๋ยวต่อไปมันก็อาจจะเห็นลมขึ้นได้เพราะามอาจจะเลี้ยลงไปเรื่อยๆแต่อาจจะจับไม่ค่อยได้เลยคิดว่ามันไม่มีก็ดูที่จุดดมอย่าไปย้ายที่แล้วดูเฉยๆไปมีลมก็รู้ว่ามีไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีเท่านั้นเองให้ดูตามความเป็นจริงไปไม่ต้องทำอะไรค่ะคาถามจากคุณเล็กค่ะ ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ขยายความในเรื่องการปฏิบัติระหว่างสมถะกับวิปัสนาครับเป็นการทำงานสองภาคด้วยกันสมถะคือการพักผ่อนทำใจให้สงบ พ, พักใจไม่ให้ทำงานอะไรให้ใจเหมือนกับเป็นการขับรถไปจอดเติมน้ามันสมาธิก็เหมือนการไปจอดตามปั๊มเพื่อเราจะได้เติมน้ามันคนขับก็จะได้เข้าห้องน้าจะได้ทาอะไรพักผ่อน พอเสร็จแล้วพอเรียบร้อยแล้วก็ขับออกจากปั๊มไปก็เดินทางต่อไปวิปัสสนาก็เป็นการทํางานของใจเป็นการศึกษาธรรมส่วนสมถะก็เป็นการพักผ่อนของจิตใจต้องทําทั้งสองอย่างสลับกันเพราะถ้าทำแต่วิปัสสนาโดยไม่มีการพักผ่อนใจก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะเรียนรู้ได้ถ้าถ้าไม่ถ้ามีแต่พักผ่อนไม่ไปเรียนรู้ก็จะไม่ได้ความรู้ไม่ได้ปัญญา เราต้องทำทั้งสองอย่างแต่ผลอดกันทําเหมือนกับเร า, เาไปทํางานแล้วก็ออกไปทํางานตอนเช้าพอตอนเย็นเราเหนื่อยเราก็กลับมาบ้านมาพักผ่อนรับนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าพอเราตื่นขึ้นมามีแรงแล้วก็กลับไปทํางานต่อคําถามถัดไปจากคุณสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถือสินแปดเที่ยงไปแล้วแล้วประทานวิตามินหรืออาหารเสริมที่ทํามาจากสมุนไพรได้ไหมเจ้าคะ ควรจะทานทีดเดียวพังกันไปเลยดีกว่านะพวกอาหารเสริมด้วยอะไรต่างๆนี้ก็ยังถือว่าเป็นอาหารอยู่ค่ะคำถามถัดไปจากคุณจันกับเรียนถามหลวงพ่อค่ะกรณีที่ญาติผู้ใหญ่ร้องขอให้ซื้อสุราให้ถ้าหนูซื้ซอให้หนูจะผิดศีลข้อห้าหรือบาปไหมคะไม่บาปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดือ<ม>คนเดือไม่คี่จะทาบาป คำถามถัดไปจากคุณเหล็กค่ะความคิดคืออะไรสติคืออะไรปัญญาคืออะไรอะไรคือความคิดอะไรคือปัญญาเฮยถามมากเกินไปเฮยหาคำตอบไว้ถามง่ายแต่ตอบยาก <c oughs> <c oughs> คำถามถัดไปจากคุณเกรียงไกรค่ะชีวิตในภพภูมิอื่นอย่างเช่นชั้นสวรรค์ชั้นพรหมเหมือนกับความฝันแสดงว่าเจ้าตัวจะสัมผัสภพภูมินั้นได้เพียงผู้ได้ผู้เดียวและติดต่อกับผู้อื่นได้ไหมครับก็ความฝันมันก็ติดต่อคนนั้นคนนี้ได้เงี้ไปเที่ยวกับคนนั้นไปเที่ยวกับคนนี้อยู่มันก็อยู่ที่ความฝันจองเราความคิดของเราจะจะติดต่อกันได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่มี เขาเรีมีอภิญยาครับถ้าจิตมีอภิญญาก็ติดต่อกับดวงวิญญาณดวงอื่นได้ถ้าไม่มีก็ติดต่อไม่ได้ <c oughs> คําถามถัดไปจากคุณนาคาพยากรกราบนมัสการท่านพระอาจารย์กระผมมีข้อสงสัยอยากเรียนถามพบพระธาติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆจะเหมาะสมหรือไม่ครับก็ <c oughs> แล้วแต่เราเนี่ยมนันเรื่องของเราแต่ว่าเหมาะสมหรือไม่ก็มันก็ <c oughs> มันก็เป็นแค่ท่านมันเหมือนกับเราพกพระติดตัวไปนั่นเป็นคำให้เราสบายใจพระธาตุก็เป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าค่ะคําถามถัดไปจากท่านเดิมมนุษย์ที่บูชาพญานาคสมควรหรือไม่ครับก็แล้วแต่เขาอยากจะบูชาไปห้ามคนได้ยังไงแต่และคนก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันเชื่ออะไรเขาก็ทําไปตามความเชื่อของเขาอยากจะเชื่อ เชื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราก็คือเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะนี่คือของแท้ของจริงคําถามจากคุณทัศนายี่สิบค่ะกลับเรียนถามหลวงพ่อค่ะถ้าไปทําบุญที่ศาลเจ้าและอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่ท่านจะรับท่านจะได้รับไหมคะกลับขอบพระคุณค่ะอุทิศได้แต่จะรับได้ไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเขาอรอนับหรือว่าเปล่าแต่เป็นบุญที่เราอุทิศได้ ทำบุญชนิดไหนก็อุทิศได้หมดบอยจากไปปล่อยนกปล่อยปลาก็อุทิศบุญได้แต่คนที่รอรับบุญเขาจะรอรับหรือเปล่า น, นั้นนอีกเรื่องหนึงอะไอีกคำถามนี่ยังมีอยู่อ่าอันที่สองคำถามมาแล้วกันนะคำถามสุขณาวินค่ะเรียนพระอาจารย์จิตสั่งให้เดินเองครับต้องทําตามไหมครับมันอยากเดินจงกรมตลอดเวลา ถ้ามันสั่งให้ไปทำดีก็ก็ทำถ้าสั่งให้ไปทำไม่ดีก็อย่าทำค่ะคาถามสุดท้ายนะคะจากคุณส า, สายทานค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์คนที่มีอาชีพเช่าพระหรือขายพระเขาจะมีบาปหรือไม่ครับไม่มีหรอกก็เหมือนกาบก็เป็นขายโต๊กตาเนี่ยคือเป็นสินค้ายอย่างหนึง่งโอเคนะ